ท่าสาทุชนมัตตบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสดวมน่ก่อนเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเสียหมดเวลาไปถึงย3ิบสามนาทีต้องขออภัยลูกหลานที่รักที่ตั้งใจฟังเรื่องแต่วันนี้เห็นท่าจะไม่รบกวนอะไรมาก มาฟังกันดูว่าเมื่อมโหสถบันดิตทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชก็โทษพระเจ้าจุนนีพรทธทัพกับเกวัไอาจารย์ใหญ่คิดแช่ฆ่าพระราชาขาตนดูกันต่อไปว่ามโหสถน้มนจะทำยังไงเป็นอรนามากเ ม, ะมะื่อมโหสถบันดิตได้รับทราบความแล้วความรับแล้วเกวัฏได้บันดาลว่า เรานึกแล้วไม่ผิดต้องเป็นมายซับซ้อนซ่อนกลนอยู่อย่างหนึง่งในระหว่างพระเจ้าเจริญปีกเปรี้ยวแต่ว่าพระราชาของเราไม่ทรงคิดว่าจะมีค่านเรากรบทุนห้ามปรมามไม่เสด็จพระองก็จ ะ, สะเสด็จเมื่อเสด็จไปแล้วก็จะนับอันต ร, รายดังที่เราคิดไว้นะ แล้ววันปัญญานีนสําคัญลูกหลานที่รักศัตรูที่คิดมาเป็นมิตรเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าศัตรูคนใดเขาตั้งใจเขาบอกว่าเป็นมิตรแล้วก็คิดว่านั่นคือกลวงเมื่อล่อเขาไปดักเดือยเหยื่อเขาไปวางไม้ภายในมันก็ดักหนูเข้ากรงเขามันดักหนูกรงมาปิดได้เขาเปิดฝาไว้ อเอาเหยื่อเขาไปวางมาข้างไหนท่านหนูโง่เข้าไปก็ติดกับฉะ <c oughs> นั้ น, นลูกหลานที่รักจองรับฟังฟังนลกคิดใช้อเอาเป็นเครื่องเอาเป็นเครื่องควบคุมสติปัญญาของ ล, ลูกหลานการเวลาต่างกันแต่ว่านโยบายเราใช้ยามเดียวกันได้แต่ว่าดัดแปลงให้เหมาะสมกับเวลาและการสมัยเล่าเรื่องกันต่อไปว่าเราจะต้องป้องกันพมหังสัตว ในเรื่องความกตัญญูรู้คุณอย่าลืมนะลูกหลานที่รักท่านผู้มีพระคุณโอกาสท่านจะใช้พระเดชอยู่บ้างเราก็จงอย่าเป็นคนลืมคุณคนถ้าลูกหลานทุกคนมือเอิญจะเป็นผู้แทนนรสดอนและรับราชการก็จงอย่าเป็นผู้แทนเลวใจแล้วก็จงอย่าเป็นข้าราชการเลว เวลานี้ข่าวข่าวการเร็วขึ้นหน้ากระดาษจักสพิมพ์กันเป็นแถวอย่างที่เจ้าหมากำแพงเพชรฆ่าผู้หญิงเรื่องเล็กเป็นงฆ่าผู้หญิงเสื่อมสวนทนพยายกันไปเรื่องราวไปเันใญ่เลยได้ตัวกันมากมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคุยกันไปเราจะต้องการพระมหากษัตร์เราจะล่วงหน้าไปข้าพระเจ้าจุลนีก่อนแน นี่เป็นแผนซ้อนแผนนะแผนนี้เป็นแผนซ้อนแผนฟังและฟังต่อไปดูเขาทําังไงแล้วก็ขอพระราชทานที่สรับงซ้ำนครให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอิทธิราชดูต้นปูย่ยังไม่บอกว่าแผนนั้เป็นยังไงแล้วจากนั้นไปก็จะทำอุมโมงค์ใต้ดิน ให้เป็นทางเดินยาวประมาณสี่โยต์สี่โยด์จะไม่สี่กิโลเมตร400สี่ร้อยเส้นเป็นห่งโยด์เอาสี่คูณสี่สี่ร้อยเส้นก็สี่หกร้อยถึงพันหกร้อยเสนนะห น, น, นึ่งเส้นทั้ก็ยี่สิบว่ายี่สี่นนร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยตระยะก็ยาวพ อ, อกว้าสักครึ่งโยดโอ้โหนี่ดูคนสมัยนั้นนะ ยัยคิดว่าคนโบราณเนี่ยเขาเร็วเขาไม่ทันเราเนี่ความจริงคนสมัยนี้ไม่ทันโบราณตั้งเยอะหลปู่ไม่อยากโสดอย่างคนไทยเรานี่เคยทําปืนเป็นทําเหล็กดีได้ทำอะไรดีทำ ห, หลายหลายอย่างแต่ด้วยวเวลานี้ที่เราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทิ่งความดีเดิม ได้ว่าปัจจุบันนี้ในเมื่อเราไม่รับความช่วยเหลือเยอต่างประเทศเราก็ทําได้เยอะสมัยก่อนแม้ได้เครื่องบินเราก็ทําเราเองใช้เอื่อนเราก็ทําใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามาสมัยหนึ่งคนผู้มีความประมาทมีอำนาจในการบริหารประเทศเห็นว่าเขาใช้เลยเลิกทำน่าเสียดายลูกหลานที่รักยาอย่างนั้นจงอย่านะ ถ้าอะไรก็ตามเราทำของเราได้เองถ้าว่าชาวต่างประเทศที่จะนำของมาขายที่ราคาถูกกว่าเราก็ยอมรับอะไรที่เราทําหน้าที่ม้ว่ามันจะแพงกว่าเงินนันก็หมุนอยู่ภายในประเทศของเรากันไอยว่าถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ทําได้จึงทําตัวแหม่ญี่ปุ่นอะไรก็ตามที่ทำไม่ได้ถ้ามีแบบอย่างมาแลกแบบหมด เมื่อคิดดัดแปลงแก้ไขต่อไปทำให้มันดีไปกว่าเดิมได้เพว่าเล่าเรื่องนั่นต่อไปก็ทายาวสี่โยศกว้างครึ่งโยศนี้ขุดดินเดียวมงเข้าไปนะ <c oughs> เสร็จแล้วจะจ่าจการนบิเศษนางปัญจาระเพจันทีให้เป็นบาตรบริจาคของพระราชาของเรา ขา้าบาตรบริจา์นี่แปลผู้ก้มเรอเท้าหมาความสตรีเวลาที่เขาแต่งงานกับสามีแล้วสมัยโบราณเวลาที่ข้าจะไปร่วมรักนอนใยกันเขากราบเท้าสามีก่อนเรื่องบาตร บ, บริจาคนะเมื่อพระราชาร้อยเอกนคนรร้อมด้วยพลนิกกรทั้งหลายว่าร้อมอยู่ื่รอร้องอยู่หมายมจะปรงประชน หมายจะปลอมประชนพระราชาของเราเราจะแป้กันให้พระราชาให้พ้นอันตรายเม่อกับเรื่องดวงจันทร์จากปากอสุรินทราหูฉะนั้นโดะจันทร์พระราชาสมัยโรายก็ถือราหูอมเข้าไปแต่เมื่อแท้เนี่มันไม่ใช่เอาอย่างเงี้กันเลวกันมันก็ไอ เล่ที่อยู่ในปากเสือนะนี่ยเสือคาบเนื่ยแล้วแต่ว่าเราจะเล่จากออกปากจากปากเสือนายยอมไม่โดนไม่ยอมให้เนื้อเ ม, มืองปราสานิดเดียวเห็นไหมนี่อูปั ญ, ญญาท่านต่อไปแล้วก็พาพระราชาเขาเราเสน็จกนนลับมิถิลานครเรื่องทั้งหมดเราต้องนับภาระเป็นที่เรียบร้อยนห้เป็นความดลิขิจของมหสถ เข้าฟังแล้วคิดคิดแล้ววางแผงกันเ ม, มื่อมโหสถขันน้นลำดีตัณฑ์แล้วก็เกิดตีติสมนัสสทราบส่านดีใจใด้ทั่วสารครางกายได้เปรียบทางเขาด้วยความความภาพผูมว่าบุคคลได้รับอุปการะจากท่านผูใน้ใดควรทำตนให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้นแม้ท่านจะดุท่านจะด่า ท่านจะตัดคอท่านจะทุกท่านจะตีเสีสยวใสไล่ส่งอย่างไรก็ตามทีไม่ควรถือมาเป็นเหตุลบล้างบุญคลของท่านนี้พาสิทธิทมหสถพูดอย่างนี้ลูกหลานที่รักต้องจำคนที่จะดีได้ต้องสงความดีตามนี้นะเขาย้อนอีนิดหนึ่งว่าเขายอนอีนิดนึ่ว่าคาติที่มหสถคิดในใจ คขาบ ว, ว่าบุคคลผู้ใดได้รับอุปการะจากท่านผู้ใดก็ควรจะทําทตนให้เป็นประโยชน์กัท่านผู้นั้นม้ท่านจะดุจะนานจะดัดข้อจะทุบตีเสียสายไล่สองยงาอะไรก็ตามทีไม่ควรจะถือเอาเหตุเอาเรื่องนั้นมาเป็นเหตุลบลลางบุญควรของท่านเหมือนกับลูกหลานที่รักที่อยู่กับวิดามันดานท่านเป็นผู้ให้กาเนิด คือมาอาจารย์ให้วิชาความรู้คนที่อุปการะที่ทางหรือเพื่นที่รักจงอย่าคิดปัตถุสร้ายเขาอย่าทําลายความดีของเขาเมื่อเขาเครือขอูดถ้าหากว่าบังเอิญเป็นผู้แทนรัศดรเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างจงถืงอากกาว่าการดุหน่าตัดเตือนเป็นการให้ความดีกับเราก็ให้ความเจริญ ถึงแม้บางทีบางครั้งท่านผู้ว่าผูดา่าผู้บังคับบัญชาจะเข้าใจผิดในบางก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกจึงตั้งอยู่ในความกระตันยูรู้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมีความสำคัญมากถ้าชาติต้องสลายไปเราจะมีความสุขได้ยังไงดูอย่างประเทศลาวประเทศเขมรนักศึกษา ช่วยให้ฆ่าสิกเข้ามายึดประเทศได้เพราไม่สุดเขาฆ่าตายไปเสีมากที่หลืออยู่ก็ต้องหนีเข้ามาในประเทศไทยอันนี้จำไว้นลูกหลานที่รักใครเม้ายอยอยาแต่แก่แสวาระบบการปกครองอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นดีอย่าเชื่อเขาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนประเทศเราปกครองรักษัตว์มีอำนาจมาตลอดการเราก็ส่งความอิสระภาพ เป็นชาติเอกราชมาได้มันไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสมัยที่รัชท์มีพระอำนาจเต็มที่แต่ความจริงมันเป็นเพียงชื่อเท่านั้นเวล า, ามันก็มีการจะทำลายเขาประชุมมติคคมนตรีเสนอข้อเลยกัรชั้นผู้ใหญ่ความจริททงประเทศไทยปลงรับมาปรครองแบบประชาธิปไตยมานาน แมหว่ารัชสมุนีพระจะน่าจะเพียงในนามทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องประสาหารือกันถ้าลูกหลานที่รักไม่มั่นใจจงหานังสือจดหมายเขาอุดมที่เขาวางขายเอามาอ่านดูก็จะรู้เมื่อความงานทุกอย่างที่พระราชาจะทาไปไม่ได้สั่งโดยราการต้องประชุมคุณาก่อน และคนที่เข้ามาประชุมก็เป็นคนที่มีความรู้มีประสบาการณ์ในการงานทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่เลือกตาสีตาสาตา ม, มาทำมีคนเลี้ยงโว้ยเลี้ยงควยเข้าไปเป็นผู้ไทยของเราเข้าไปแล้วก็หวังต่ประโยชน์ส่วนตนคนประเภทนี้เขาไม่เคยรับประสบการณ์ไม่รู้งานในการก่อนเมื่อเข้าไปบริหารกระทรวงต่างๆก็ถูกต้มถูกตุนไปตามๆกัน ยังตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็รู้อย่แล้บันน่นเมื่อเราเกิดจะบไรลัยเล่าเรื่องท่านต่อไปก็ามื่อเสรู้สึกภาพภูมิใจในความคิดเขาตนเป็นอย่างยิ่งจึงจัดการแต่งกายเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอิเทวราชกราบเครองโคมทูลได้ทรทราบว่าห้าแต่สมุตติเทวราช รทรงยังโซนามิที่เจริญเสด็จไปอุตรประเทศจารยนครอีหรือวายค่ะพระเจา้าอิทธาราช จ, จัดว่าเราต้องไปหากเราไม่ได้นาปัญจารชนทีมาเป็นคู่ชื่นชมเราก็จะไม่ควรนะเราก็จะไม่ขอครองราชสมบัติต่อไปไม่ใช่สาระราชสมบัติเพื่อผู้หญิงคนเดียว อยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะไม่จริงๆคุณปู่เห็นไมมันเหมือ น, น, นกันไม่ได้เรื่องกริงกึกเสียอร่อยกว่ามะโขซดมันติตนะถ้าเกิดว่ามโขซนเจ้าอย่าทิ้งเรานะเจ้าต้องไปกับเราเราจะได้รับประโยช น, น์เพื่อสมรกามขคืนหนึ่ง เราได้หญิงแก้วมาแล้วเป็นคูคชินแน่เจียวสองเราจะได้ปูกสันตวามัยตรีกับพระเจ้าจนมีพรรมทัศน์หน่โมโหนี่อย่าลืมแม้แต่คนที่เป็นกษัสัตว์ก็สามารถจะหลงผิดได้เพราะยังมีกิเลส <c oughs> ต้ออย่าถือสาหาความเรามีปัญญาใช้ปัญญาช่วยชาติช่วยกงรสัตว์ช่วยประชาชนให้ท่าคงอยู่ อย่าถือว่าใครจะหลาดจะถือว่าใคร ง, ง้อมีกำลังช่วยกันรักษาติเขาไว้ใครจะมีความสุขความสามาัคคีเป็นสำคัญอย่าเชื่อคนเองเขาเราอยู่กันสุขสบายในรัฐทีมันนานแสนนานไม่ต้องกันอย่าไปหารัฐทีการให้เป็นขาาแต่ทุกเขาไล่คินค่าใหญ่เราอย่ า, า, ยาเสมือนเลย เพื่อนั้นว่าเมื่ห้อสดจึกราบทูลว่าถ้าชินนั้นข้าพระพุทธเ จ, ากกจ้าก็อยากขอพระกราบทวายบังคมลาล่วงหน้าไปก่อนพระพุทธยอค่ะเพื่อสร้างพระราชทีนีเวศสหรับพระองค์ให้สมพระเกียรติเมื่อพระองค์เมื่อข้าพระองค์สร้างเสร็จแล้วจะส่งข่าวมากราบทูลเชิเส็จฉภายหลังไม่ตอนนี้ติดใจเป็น จต้องนั่งคอยเวลาประครับประคองพร่ำทพรอดอีกตั้งหลายเดือนใจไม่สบายนะถ้าฟังเรื่องท่านต่อไปไม่จเจ้าวิเทราเดชทรงฟังคำกาทูลของโมโหสดก็สรงโสมนัตเคดีใจแม่ไม่ไมนต้องปูกต้วงปูกถ้าฟังอย่านิจใจมันเต้นแล้วอยากได้วันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นท่านนะ ต่นี้ท่านก็ฉลาดพอต่นีการบางครั้งเรื่องธรรมดาของคนอาจจะหลงผิดไปบ้างโวมนักือดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ด้่สอนถัด ว, ว, ว่าพ่อมโหสดลูกรักพ่อไปก่อนจะต้องการอะไรบ้างบอกพ่อพ่อว่าสุกกาถืว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอผลและก็ผานะเขาององไป อของอมโปรดมีพระบรมราชองการให้เปิดเรือนจำสี่แห่งเอานักโทษเนี่ยให้ถอเครื่องจองจำออกแล้วให้นักโทษทั้งหมดไปละค่าพระว่าจเจ้าพยาค่ะนี่ทายอทห า, ไทไาไรไปอนกโทษไปแปลกพระราชโาสงกาะตาม้วยพระสรกราทูลทุกประการโอ้โสดได้รับพระบรมราชองการ แล้วพระบรมราชานุญาตแล้วก็เรียงได้ให้ผู้คุมเรือนจำเปิดเรือนจำให้นักโทษที่เป็นชายชกันออกมาแล้วความเกียงและโทษเนี่ยเขามีความบึดบึนอดทนด้กิจการงานทุกอย่างมาแล้วแล้วก็จัดให้มีการควบคุมจัดเป็นกองร้อยแล้วก็จัดเป็นกองพันจัดเป็นหมู่จัดเป็นหมวดมีหมวดช่างไม้ หมดช่างเหล็กหมดช่างหนังหมดช่งางศิลาคือหมดช่างหินเน่แล้วก็หมดช่างเขียนหมดช่างอิดให้ทุกหมดเตรียมมาเครื่องอุปกรณ์สาหรับในการนั้นๆไปนั้นๆน่ะตลอดจะต้องมีมีกมีขวานมีจอบมีเสียมเป็นต้นเอาไปด้วยเมื่อเสร็จแล้วเ่อได้เวลาก็ยกกองคณเครื่องของบวน ออกจากละครไปสู่อุตรปัญจาละรคลรเหลงกองพล น, นักโทษนี่ดีไม่กันนี่เป็นกองพลเลยสี่โอโ้นี่เวลานี้คุกตารางขาองเราแต่ด้านเรือนจํามันเต็มไปหมดนี่คุกยอดนักโทษเรินจำํำใหญ่ไปจัดเป็นกองพลเลยโอ้โหนี่มันห น, าานุนทหารเอาเล่าโทษไปรบเป็นหัวหงส์สังบุกแหลกได้เลย เอาห้องสดไห้ช่างสร้างบ้านรายทางไปเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วไปให้อาหมายคนหนึง่งมั่นระยะหนึ่งให้อามายคนหนึ่งอยู่ประจำบ้านหลังหนึง่งเนะี่ยทุกทุกบ้านที่รายทางเนี่ยจักจันระยะระยะแล้วก็มีมีคนควบคุมมีคนรับใช้ จัดช้างจัดมา้าจัดเตรียมไม้ทุกจุดทุกบ้านเมื่อพระราชานําัณฑ น, นางปัญจาจริญพิมพผ่านมาก็รีบพาไปถึงเมืองมิเชลานครเร็วๆอยาให้ข้าศึกทรมารย์เข้าพระองค์ ไ, ได้มีไม้ความไมที่สร้างเประยะเนี่ยให้ช้างมาวิ่งไปที่นี่พอเหนื่อยพอเห็นท้ายไปจนเหนื่อยก็ถึงอีกจุดหนึ่งพอดี ในเชั่วนั้นก็พาวิ่งต่อไปอจุดหนึ่งแต่จุดนั้นก็หยุดพอดีถ้าก็พาต่อไปเป็นระยะระยะอย่างนี้นี่เขาฉลาดฟังไม่ก็จำในโลกหลานที่รัก้านะดนโยบายนี้ถึงแม้ว่าเกา่าใหม่เราก็ดัดแปลงได้ดัดแปลงพระนะแต่ใ น, นวันนโยบายถ้ามาการใช้ยังใช้ในผลในปัจจุบันเมืนะ่อกระบวนผลเขามาส เดินทางที่งฝั่งคงคาที่ฝังไม่น้ำยิน้เรืาไม้คนหนึ่งชื่อวอานันทะมาสั่งว่าอานันทะท่านจงพายช่างไม้สามร้อยคนไปทางเหนือนของไม่น้ำให้อาไม้เก่นสร้างเรือสามร้อยลำนีม่มแล้วก็หาไม้ที่ทำกันดานทำเสาทำฝา ถ้าอือ่นๆสำหรับสร้างเมืองบรทุกเรือสาม้อยลำเลยเร็วอำมาจิวั น, นันทะได้ทำตามคำสั่งของมโหสดโมโหสดขึ้นเรือข้ามฟ้าไปฝังนน่งคันโนนแล้วก็เดินทางจากฝั่งก็มาณกึ่งยดุดได้กำหนดวางแผนสร้า ง, ส ร, างสร้างอะไรสร้างโม่เนีโอ้โหสร้างโม่ตรงนั้น จากอุมโมงไปราวสี่สีย่ยอกำหนดสร้างพระราชะนิเวศสำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชเมื่อกำหนดดังนั้นแล้วจะได้เดินทางเข้าสู่ปัญจาลนครนี้ก่อนจะเข้าม า, าวางแผนไปเสร็จดูวิวิระเทศจะเอาที่ไหนตรงไหนมันยังไงมันจะเจห ม, มาะนี่เรื่องการวางแผนนี่อย่าทำช้าเลย ต้องเร็วทันใจแล้วก็เลยดีดสมัยเราฝึกปัญญานี้มันเป็นของไม่อยากยิ่งเมื่ไปนั่งใช้น้ำลายพุ่นพูดกันในสภาทำให้เวลาเขาเสียไปเงินทองมันเสียไปเีนาทีประมาณสามร้อยบาทนั่นกูคิดอย่างนั้นะว่าเรื่องของสพาทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ทัตพันธ์ลงขึ้นมามีเจ้าหน้าที่สี่ร้อยคนเสร็จ แล้วก็มีสมาชิกเท่าไรมีค่านการที่จะทํางานเกี่ยวหนังสือเท่าไรมีอุปรกรณ์การใช้เท่าไรค่กาก ร, ระแสไฟฟ้าเท่าไรค่าสิกรอค่าซ่อมแซมคิดแล้วมีสภาพู้แทนนักแสดงเข้า ป, ประชุมเราต้องเสียเงินของเราไปประมาณนาทีละสามร้อยบาทดีฉะนั้นเวลาจะเลือกก็เลือกแต่คนดีไอ้คนระยำระยำ่าเลเืกเอกเข้าไป ใ้เลือกเขาไปแล้วเขาบอกว่าดีเขาไปทําอะไรยําก็ไม่ควรเลือกจําไว้มันจะให้อะไรก็อย่าให้มันจะเลือกให้ถ้าเขาให้เงินเรารับเงินให้ของเราของแต่เราไม่เลือกมันเป็นสิทธิของเราไอ้เรื่องแบบเพื่อจีว่าให้เงินแล้วเขายึดบัตรประชาชนนะจงอย่าให้ไปถ้าเทีว่าเขาไม่ใช่เจ้ามาชินไหนเราให้ก็เอาแต่อย่าเลือก จำหน้าไว้ใครทำเลวก็จำไว้ว่ารัฐธรรมนมูญต้องมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนชาวบ้านตาสีตะสายเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแล้วทำรัฐธรรมนูญจะไปยังไงกฎหมายจะไปยังไงมีบทแทนหรือไม่มีบทแทนเวลานี้ต้องปลูกพขณะที่พูดในวันที่21พฤศจิกายน2521ไปถามประชาชนระบรัฐบาลทหารนี่ดี ทขมายเร็วทันใจน้ําำท่วมปับ๊บส่งของทันทีน้ําลดปับ๊บเพลกร์ถึงไทยที่ให้ได้วานให้เสร็จโดยไม่ได้เสียายทั้งหมดเอขอขึ้นมาพูชผลขึ้ค น, คนมาชบบาวบ้านเก็บได้นี่ถ้ามีผู้แทนษอสนันญาณก็นั่งพ่นน้ำลายแตกท่มสภากว่าชบบาวบ้านจะได้กินอดตายไปตามๆกันดีม่ ด, ไมไดีไม่ได้กินบางทีส่งของให้ผู้แทนไปแจกสมัยเหน่งมีอยู่ มดไม่ได้ถึ้งมือชาวบ้านเอาไปขายหมดเลยกรณีสมัยหนึ่งเนละจะหาว่าหลวงปู่ว่าผู้แทนทุกคนนั้ไม่ได้แต่ผู้แทนเร็วๆอย่างนั้นมันมีอยู่มาสมัยก่อนโน่นนะสมัยนี้อาจจะดีก็ได้จะ ต, ต้องดูมองดูหน้ า, นากันหน้าเก่ า, กาๆแล้วก็ระวังให้ดีเป็นอ น, นว่าวรีเจ้าจนลนีพระมทัตเมื่อทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงแล้ว ก็ทรงสงมัยนั้นคือยินดีมากวิจัยอย่างยิ่งคิดว่าอุบายที่วางไว้ใกล้จะสำเร็จสงความปรารถนาอยู่แล้วที่นี่เสนาไม่ว่าไม่ช้าไม่ช้าหรอกไปเจ้าวิเทียร่ายก็คนจะสำเร็จมาเมื่อมาพร้อมหน้ากันก็จะจับผ้าเสียทั้งสองคนต่อจากนั้นราชสำเร็จรในเสกนันชุมพลทวีเปียกตกจนงดมือของเราทั้งหมด นี่มัเหลือประเทศเดียวที่เขายคึดไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้เวลานี้ฝ่ายในเอเชียนี่รู้สึกว่าเป็นเงื่อนค่าศึกหมดเหลือแต่ประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่เพิ่งในแหลมทองก็มีเสือจ้างอยู่สามตัวที่คอยจะจะ้ครุบเราแต่ว่าไม่เป็นไรรุ่งล้ำที่รักถ้าเราทุกคนยัวรักประเทศเราทุกคนยังมีความสามัคคี เราทุกคนไล่ผู้แทนที่ไม่ดีออกไปเราทุกคนไล่ขั้การที่ไม่ดีออกไปวิธีไล่ไม่ต้องเลยขบวนมีวิธีง่ายๆนิดนิดเล็กเล็กทกระจุงก็จจิงใก้จุงจริงตามกฎหมายเดียวก็หมดแต่อย่าจะให้มีรัฐธรรมนูญบอกว่าผู้แทยคนไหนไม่ดีประทานสภามีสิทธิ เพราะว่าสมาชิกจานวนมากมีสิทธออกเสียงขับไล่พระเทวคุณนั้นออกไปไม่มานั่งทวงเงินทวงทองทว ง, ง, งเวลาคนชาติอันนี้จะดีมากเพราะนั้นมนโหสถได้เข้าพอ่อพระเจ้าจุลนีพุท ธ, ธที่ท้องพระโรงพระเจ้าจุลนียังทรงรับสั่งถามมโหสถว่าพระราชาของเจ้าจ ะ, สะเสด็จมาเมื่อไหร่ องค์สุการท <PTSD> ูลว่าจะเสด็จมาต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าทรงข่าวไปกราบทูลพระเจค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าทําไมเจ้าจึงลุ้นหน้ามาก่อนองค์สดธีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าล่วนหน้ามาก็เพื่อจะเตรียมสร้างพระราชนิเวศสําหรับเป็นที่ประทับของพระราชาของข้าพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าจนลนีตรัสว่าดีแล้ว เจ้าจงทำมาตรการ น, นะในทางนี้ถูกที่ควรอยู่กับเราจึงกว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมาแล้วก็รับสั่งให้จัดบ้านพักให้มโหสถตลอดจนคนติดตามนี่เขาแน่ไม่กันเขาแน่ไม่กันไม่ใช่ไม่แน่ไอ้คนติดตามนี่เพื่อแค่เกลยว่าจะกระวางเพลิงประเทศเขาเอวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปยังพระราีนิเวศ ยืนอยู่บนเชงเทินนะมันไ่ใช่เชิงเทินยืนอยู่บนเชิงบรรดาภร้าที่นี่กยคือเป็นที่ประทัพคุ้มปราชาพระรา ช, ว, ารรา ช, ารชวังยืนอยู่บญเชิงบรรดาได้รำมัดว่าตรงนี้จะทําอุมโมงค์เอาเอ า, เอาแล้วนะมีญานนีิเขาเขามาประเทศเราเนี่ยเขาบอกเป็นมิตเป็นมิตรนะอาจจะเป็นมิตรแบบนี้ก็ได้แต่จะต้องทําให้ขั้นบันไดนี้ไม่สุดนะ ถ้าว่าไม่ทําให้ขั้นบันไดนี่มัไม่สุดทํามากคือว่าทำแล้วบันไดก็อใหม่สุดโอ้สดเล่นนิสถึงพระราชาดำํำรัสพพระราชินมัยเขาไม่เจ้าจรณีที่พื่อตัวให้เรารับราชการทำกิจที่ถูกที่ควรแก่พระองค์ฉะนั้นจะต้องกราบทูลในสองสาอราบผู้ปฏิบัติราชกิจกับพระองค์แล้วว่าโหสดจริงเข้าไปพระพระเจ้าจริญนีสาบทนว่า ขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าขณะขึ้นมาฝ้าวันนี้ยืนอยู่ที่เชิงวันไดไปตรวดูเห็นพื้นที่ที่เชิงวันไดน่าครัจะสุดแต่หากว่าทรงเห็นชอบด้วยพระราชดำริข้าพระพุทธเจ้าจะทําให้มั่นค ง, งแข็งแรงต่อไปพระยาค่ะเป็นอันว่าวโหสถทูลดังนี้แล้วพระเจ้าจึงมีสุนทรภิจจัตรวา เชิญเจ้าทำตามที่เห็นสมควรเถิดแล้วต่อจากนั้นมาโฮก็จะทำยังไงโลกหลานที่รักมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกคนผู้รับฟังและเจ้าหน้าที่สถานีทั้งหมดสวัสดี